พระธรรมเทศนาแผ่นที่50ลำดับที่10โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่14สิงหาคม2555มีชื่อเรื่องว่าอย่าเป็นหมูติดสุก วันนี้เป็นวันที่สิบสี่วันที่ส4บสี่สิงหาคมพุทธศักราชสองพันห้าอห้าสิบห้าพระองเราสี่สิบสองลงมาชันสาสิบวันนี้งดชันสิบสององค์อากาศช่วงนี้รู้สึกว่าแห้งแล้งอากาศฝนขาดช่วงแล้งแปดที่สองเขาพันษามา ตั้งแต่วันที่วันที่สาเข้าพรรษาวันนี้เป็นวันที่สิบสี่เข้าพรรษามาสิบกว่าวันรู้สึกว่าฝนไม่ดีนะสรุแล้วฝนไม่ดีปีนี้น้ำลาลางของเราเหมือนไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนเราต้องครึ่งฝังแล้วแต่นี้ยังไม่เคยมีไม่มีไม่เคยมีถึงขนาดนั้นปีนี้รู้สึกว่าฝนลักษณะ ค่อนข้างจะไม่ดีแต่ชาวนาก็รู้สึกว่ารออยู่เหมือนกันรอปักดำนี่แหละพี่น้องชาวบ้านลูกหลานทำไร่ทำนาคอยดินฟ้าอากาศถ้าปีไหนฝนดีก็ได้ทำนาถ้าปีไหนฝนดีถ้าฝนไม่ดีก็คอยเม่าลอย คอยฝนนะไม่เหมือนบางแห่งบางแห่งมันมีน้ำเขือนปล่อยเขือนเข้ามาแต่ของเราไม่มีน้ำเขือนเป็นน้ำฟ้าก็จะทำให้การทำนาลำบากสรุปแล้วก็คือยามาเกิดดีที่สุดแต่ในกิเลสมันเหมือนกับ ยางตังที่มันติดจิตใจของสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกไม่ให้ออกไปสู่มักสู่ผลได้เวลาจะนั่งภาวนากิเลสก็เข้ามาครอบงำหาว่าเก่า ว, วัยเวลาจะเดินยมกลมกนะ็ติดนุ่นติดนี้มีภาระนู่นนีอ่อันนั้นรวนแล้วจะเป็นยางกิเลสทั้งนั้น ถ้าคิดดูให้ดีถ้าว่าเป็นทำแล้วจะไปติดอะไรเพราะว่าใจของเรากายของเราจะอยู่นานสักเท่าไหร่ถามองมองดูแล้วเราจะอยู่นานสักเท่าไหร่เราอยู่ไปมันมีแต่ความสุขกายสบายใจอย่างนั้นใช่ไหมถามองดูแล้วสุขกาย ก็ยากแต่สุขใจก็ยิ่งยากกว่าสุขกายเพราะนั้นเรื่องสุขกายสุขใจปัญหาได้ที่ไหนในโลกนะหาไม่ได้เดี๋ยวมีเรื่องนั้นทุกเดี๋ยวเรื่องนั้นประเด็งประดังเข้ามาเป็นเสียแต่ละว่าเราไม่ได้คิดเราไม่ได้พิจารณา เราไม่ได้ใช้สติปัญญากันกรองไตรตรองแล้วก็อยู่ไปไปเป็นวันวันไปเหมือนกับหมูอยู่ในเล้าอย่างลักษณะอย่างนั้นอ่ะพอได้เวลาเขาก็เอาอาหารมาให้กินซะและ้วหมูก็กินอาหารกินอาหารแล้วก็นอนอยู่ในเล้าแช่อยู่นั้นอะมันไปที่ไหนไม่ได้ไม่รู้จะไปยังไงเพราะเขาขังไปอีกต่างหาก เขาขังไว้อิจฉางาก็กเลยไปไม่ได้ก็เลยอยู่ในนั้นมันก็เลยว่ามีความสุขขณะที่เขาเอาน้ําเย็นๆมาลดให้แล้วก็เอาอาหารมาให้กินมันก็มีความสุขถ้าเปรียบเทียบกับพวกเราท่านทั้งหลายมันก็ไม่เหมือนขนาดนั้นหรอกแต่มัน ค, คล้ายๆ เ, เราก็อยู่แบบนั้นนะบออิสระ แต่ถึงยังไงแก่เจ็บตายหรือพยามัตตุราชคอยเงื้อก้าดาบที่จะฟันเราอยู่แต่เราไม่ได้มองเรามองไม่เห็นจุดนั้นเรามองเห็นแต่ข้างหน้ามองแต่ว่ามีความสุขกายสบายใจแต่พระพุทธเจ้าที่ท่านเป็นปาฏิที่ท่านได้ตัดสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณและก็ท่านได้สอน พุทธบริษัทอย่างพระสาวกผู้ที่ท่านได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลเป็นพระอระหันต์ท่านก็มองแนวแถวที่พระพุทธเจ้าพามองท่านก็บอกแนะนำพวกเราท่านทั้งหลายอย่าไปให้ความสำคัญในโลกวัตะสงสารจนเกินไปนะโลกก็นนี้มันหาความสุขไม่ได้ถึงจะเลี้ยงร่างกายดีขนาดไหน ร่างกายนีก็ยังเป็นอื่นยังแก่เจ็บตายในที่สุดไม่มีใครที่จะหนุ่มจะน้อยไปข้างหน้ามีแต่เท่าแก่ชราไปเรื่อยๆผลที่สุดก็ถึงจุดจบของชีวิตเพราะนั้นอย่าอย่าตั้งอยู่ในความประมาทควรจะ ส, อ, ส, อ, ส อ, องหาทางน่คือคล้ายๆกับว่าท่านเตือนก็เหมือนกับเตือนหมูอยู่ในอยู่ในเล้าลักษณะนะั้น ถ้าอย่างไรต้องหาทางออกนะถ้าขืนดูอย่างนี้มันอยู่อย่างนี้แหละไม่รู้ติดพบติดชาติไม่รู้กี่พบกี่ชาติมันจะอยู่อย่างนี้แหละแต่ถ้าว่าท่านออกสสแสวงหาทางท่านจะเจอทางแ ล, แล้วก็จะเจอมรรคเจริญผลถึงมรรคนิพพานแล้วก็จะไม่มากลับมาอกีกมาเวียนว่ายตายเกิดเป็นความสุขอนันตการ ไม่มีความทุกข์เข้ามาเจือปนท่าน ต, ต้องส่อแสวงหาทางนะมัคคะมัคคะหนทางมัคแปดนะ ห, น, หนทางมีอยู่แปดทางที่จะเดินไปสู่มัคผลนิพพานสมมติทิคือความเห็นชอบนะเป็นเบื้องต้นสมมธิทิสมม า, ส, มมาสังกัปบโรบการงานวาจาพูดกรรมโตการงาน อาชีวโวเลี้ยงชีวิตนี่แหละอันนี้ก็คือมั่กแปดสัมมาทิสสะมาสังกปวะจากกัมมันโตอาชีโววายโมสติส ม, มาธิให้เดินตามทางสายนี้ถ้าท่า น, านศึกษาแล้วก็เดินตามทางสายนี้ท่านจะถึงมั่กถึงผลได้อันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าพระหารทสาวก พ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกเราที่ท่านสอนวิธีการทํำยังไงจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิได้จะคิดยังไงจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิอันดับแรกก็ต้องศึกษาศึกษาในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนให้คิดอย่างไรจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิท่านสอนให้คิดอย่างไรง เ, ปมมงไงเป็นมิจฉาทิฏฐิ อันนี้ปูพื้นฐานมาตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่ต้งตตองมีคิดมีน้ำใจมีเมตตามีการเสียสละอันนี้คือจัดว่าเป็นฐ า, า, านนะจยจัดให้มีฐานนะคนที่มีฐานจิตใจที่มีความเฉรือเพื่อแผ่เราจะไม่ คนที่มีจิตใจเฉลือเผื่อแผ่จะไม่ผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรจะไม่คตรไม่โกงไม่ป่นไม่กี้ไม่ลักไม่ขโมยใครเพราะคนมีจิตใจเผลือแผ่จิตใจที่เฉลือเจือจานจิตใจมีการเสียสละเนี่ยมันตรงกันข้ามกับเหล่านั้นตรงกันข้ามกับเห็นแก่ตัวอันนี้ก็คือฐานเบื้องต้น ต่อมาให้อยู่ในกฎระเบียบนะศีลถ้าเาพวกเราอยู่ในศีลของพระพุทธเจ้าแล้วนั่นแหละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่จะเดินเข้าสู่มักสู่ผลถ้ากฎระเบียบการเป็นอยู่ของท่านสำรวมกายวาจาดีแล้วพวกท่านจะมีมีโทษจะไม่มีเรื่องราวเกิดขึ้น สัมบูร์กายวาจาดีจากนั้นก็เรื่องสมาธิพวกท่านทั้งหลายทงต้องทำจิตใจให้สงบนะอันนี้แหละคือเราศึกษาตามขั้นตอนสรุปแล้วก็คือทานศีลภาวนาทำจิตใจให้สงบวิธีการทำจิตใจให้สงบนะั้นทำอย่างไรนี่แหละตัว น, นี้ก็มาศึกษาเรื่องทำจิตใจเรื่องจิตใจเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเพราะว่า เป็นนามธรรมมันมองไม่เห็นด้วยตาเนื้อรักษลักษณะประมาณการหรือลักษณะเอาสติเข้าไปจับสติสัมปะชัญญะเมื่อสติของเราดีสติของเราแน่วแน่สติของเราอยู่กับที่จะทำยังไงจึงจะมีสติท่านก็สอนนี่สติของเราเนี่ยพอตั้งขึ้นมามันก็ถอยไปตั้งขึ้นมาแล้วก็ หลุดไปถ้าเราไม่ตั้งใจมั่นจริงๆตั้งต้องตั้งอยู่ตรงไหนตัานตั้งให้ตั้งอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกพราหายใจเข้าออกเนี่มีแต่คนตายไม่มีลมถ้าคนยังมีชีวิตอยู่ต้องมีลมต้องมีลมเข้าออกเพราะฉะนั้นท่านจะให้ตั้งอยู่ที่ลมปลายจมูกนะที่ลมเข้าลมออกถึงจะนอนละถึงจะนอนก็ให้กําหนดลมถึงจะนั่งก็ให้กําหนดลม แต่เวลาเราเดินมันเคลื่อนไหวทางขาต้องเอาจิตสัมปชัญญาอยู่กับขาก้าวเดินขาขวาขาซ้ายขาขวาขาซ้ายจะกำหนดดูหรือให้บริกรรมพร้อมกับพุทธโธหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าให้พร้อมกับพุทธโธจะดีกว่าเพราะว่าพุทธโธมันเป็นเครื่องกำกับอีกส่วนหนึ่งแต่มีแต่กาหนดเฉยๆมันจะหลุดอีกมันจะหลุดได้ง่าย เพราะในบริกรรมพุทโธเอกนี่แหละอันนี้คือวิธีการตั้งสตินะในเมื่อเรามีสติดีอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกไม่เผลอเวลาก้าวเดินไปที่ไหนสติอยู่กับตนเองอยู่ตลอดนะเวลาเราจะทํากิจทําการทํางานอะไรก็ตามมีสติอยู่กับตัวเองไม่เผลอรู้อยู่เราทําเรื่องอะไรเราคิดอะไรเราพูดอะไรเราทําอะไรอยู่กับตัวเอง อันนี้แหละเป็นเบื้องเป็นพื้นฐานลเลยนะเป็นพื้นฐานที่จะเข้าเดินทางเข้าสู่มรรสู่ผลในเมื่อสติเราดีใจของเราไม่ออกนอกลูกนอกทางใจของเราอยู่กับที่เ อ, อิบอิ่มมีความสุขจากนั้นใจของเราก็จะรวมสงบเมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งเป็นพื้นฐานแห่งความสงบแล้ว พระพุทธเจ้าไม่ให้สงบเพียงแค่นั้นนะสงบเท่านั้นยังไม่พอต้องค้นหาเหตุผลนำจิตที่สงบนั้นนำมาพิจารณาแกล้งกรองไต่ตองเหตุผลหาเหตุผลเรื่องอะไรพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามนุษยชาติทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกที่เป็นอยู่ทุกวันนี่ติดติดร่างกาย หลงร่างกายพรหลงร่างกายตัวเองและวก็หลงหลงร่างกายคนอื่นแล้วก็หลงการเป็นอยู่ของอในโลกวัะสงสารทั้งหมดหลงไปหมดหลงยศถาบรรดาศักดิ์หลงลาภยศสันรเสริญหลงสุขในการเป็นอยู่เล็กๆน้อยๆการอยู่การกินการหลับการนอนและการเดินการไปที่ไหนสะดวก แล้วก็ติดในสุขเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเหมือนกับย้อนไปเหมือนกับหมูหมูติดสุขอยู่ในเล้าลักษณะอย่างนั้นนะแต่ใ น, น พ, อพอระพุทธองค์ให้พิจารณาให้พิจารณาให้เห็นความสุขขนาดร่างกายตัวเองมันสุขแท้แน่นอนจริงไหมเหมื่อเรานำมาพิจารณาอันนี้เราเดินวิปัสสนาแล้วนะในตรงทาจิตใจให้สงบนั่นคือสมถะธ เงิสมถะต้องทําจิตทําใจให้สงบซะก่อนให้ดูซะก่อนให้นิ่งซะก่อนในเมื่อจิตใจนิ่งสงบเป็นพื้นฐานพอสมควรแล้วนํามาพิจารณาพิจารณาร่างกายร่างกายถ้าพิจารณาที่อื่นพิจารณาร่างกายคนอื่นเขาก็ได้เปรียบทเทียบนอกเปรียบเทียบในเปรียบเทียบนอกก็คล้าว่าดูของเขาเห็นเขาตายเห็นเขาตายเห็นเขาอคนตายที่อื่น เห็นสากศพคนอื่นเราก็าไม่แพ้กันอีกสักวันหนึ่งเราก็จะต้องเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่ถึงยังไงก็ต้องหมดหมดลมแน่ๆละ่ะตัวของเราเนี่ยมาพิจรนารณาดูตัวของเราร่างกายของเราเนี่มันไม่ใช่อีกสักวันหนึ่งนะถึงจุดจบแน่ๆนะอันนี้คือใจทาความเข้าใจในใจใจคืออะไรใจคือตัวผู้รู้ที่ว่าโทผู้ววรู้ คือนามธรรมในหละตัวนั้นในหลักของพระพุทธศาสนาในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าในธรรมคาสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านให้ความสําคัญตัวนามธรรมตัวมองไม่เห็นตัวนั้นสําคัญมากที่สุดในหลักของพุทธศาสนาท่านว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเสถามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจ คำว่าใจคำนี้น่ะคือตัวนามธรรมตัวนามธรรมเนี่ยจะยึดยังไงก็ ย, ย่ ง, ยงที่หลวงพ่อได้พูดกำหนดลมหายใจให้นามธรรมนั้นรู้ตัวเองจากนั้นตัวนามธรรมรู้ตัวเองก็ให้รู้ร่างกายแยกแยะส่วนร่างกายร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเรานะใจนะทีนีนะ้แยกเป็นสองแล้วนะทนีร่างกายนี่คือรูปรธรรม แต่จิตใจนะั้นคือนามธรรมให้นามธรรมพิจารณารูปธรรมให้พิจารณาตัวเองย้อนมาหาตัวเองร่างกายนะตาของเรานะหูของเรานะจมูกของเรานะลิ้นของเรากายของเรานะผิวหนังของเรานะถ้าเป็นของเราตาอย่าฟ้าฟางนะหูอย่าตึงนะจมูกเออให้ปกตินะลิน้นอย่าให้มั น, เ ป, นเป็นอย่างอื่นนะ ร่างกายอย่าให้เท่าแก่ชรลานะให้อยู่ตามสภาพนะให้สวยงามตลอดไปนะใจนี่อยากจะให้ร่างกายเป็นปกติพยายามทะนุถนอมพยายามเลี้ยงอาหารพยายามหลับนอนพยายามออกกําลังกายพยายามให้ดีที่สุดใจคือนามธรรมพยายามถะนุถนอมร่างกายแต่ร่างกายที่มันไม่ฟังใจแหะจ้ะเนี มันไหลไปตามสภาพของมันเพราะอนุจังของมันมีเกิดขึ้นมาแล้วก็แก่แก่แล้วก็มีโอกาสเจ็บเข้าโรงพยาบาลกู้คนเจ็บผลทสุดก็มีโอกาสตายเนี่ยร่างกายเนี่ยตายแต่ใจของเราเนี่ยอยากจะให้มันอยู่ในสภาพดีที่สุดมีความสุขที่สุดไม่ให้มันเป็นอะไรพยายามทุ่มเทที่สุดเพื่อจะรักษากาย แต่กายนี่ก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอไม่ฟังใจใผลในสุดร่างกายถึงจะรักษาขนาดไหนก็แตกตายถ้าระใจของเราเนี่ยไม่เด็กมองดวตัวเองขึงมีแต่ปวัตวานมิแต่ดูแต่ร่างกายของตนเองอยู่ตรอดเวล่งเวลาเพื่อจะทะนุถนอมร่างกายโดยที่ไม่ได้คิดว่าร่างกายถึงจะทะนุถนอมขนาดไหนก็เถอะนะใจนะเรานะ อีกสักวันหนึ่งมันจะต้องพัดภาคจากไปนะเราควรจะทำประโยชน์อะไรให้ร่างกายทำประโยชน์อะไรให้เราเใจต้องสั่งสั่งให้ร่างกายเหมือนกับเราขับรถ1ิบนระ้อนเราจะทะนุถนอมออไม่ได้ใช้รถสิบร้อนมีแต่หาน้ำมันเครื่องติดอยู่ตลอดออให้รถสิบร้อติดอยู่ตลอดมันขาดน้ำหาน้าใส่มันขาดน้ ำ, นำมั น, าามนหาน้ำมันใส่มีอะไรต้องใส่ แต่ไม่ได้ใช้รถคันนั้นให้เกิดประโยชน์ไม่ได้นํารถคันนั้นออกไปใช้บรรทุกสิ่งของเอามาให้ใช้ให้เกิดประโยชน์สำหรับตนเองเอามีเราก็มีแต่ทุกข์กับรถเท่านั้นเองแต่ถ้าว่าเราใช้รถให้ถูกต้องให้เป็นเราก็อีกสักวันหนึ่งรถคันนี้ต้องพังทลายต้องหมดสภาพแน่ๆ น, นะใจนะนะัทนะโซเฟอร์นะเออโซเฟอร์สอนโซเฟอร์นะ โซเฟอร์ทำใจทำใจในใจของโซเฟอร์นะรถคันะนี้นะได้มาแล้วก็อีกสักวันนึงจะต้องถึงจุดจบของมันแต่เมื่อถึงจุดจบแล้วเราจะหารถคันไหนอีกละ่ะเรามีทุนหรือเปล่าเราเตรียมทุนไว้หรือยังอันนี้คือใจของเราต้องได้คิดไว้อยู่เสมอถ้าหากว่าในระดับหนึ่งก็คือหาทุนเอาไว้าหาทุนเอาไว้ เพื่อจะซื้อรถคันใหม่อีกต่อไปแต่ถ้ามากกว่านั้นอะอย่างพระพุทธเจ้าพระหรหันตสาบุโอ้ยเบื่อมันรถเน่ยถ้ามันได้มาเองมันก็ต้องพังอีอย่างเกา่าได้มาเย็นมันก็เป็นอย่างเก่าอีกรถถึงจะมีดีขนาดไหนมันก็ต้องเป็นอย่างเก่าอีกเอาเถอะข้าพเจ้าจะหาทุนให้มากๆซื้อยานนวากาศหนีจากโลกไปเลยทิ้งเลย เข้าสู่อวากาศไปเลยนะไม่ต้องมากลับมาใช้รถนี้อีกต่อไปนี่แหละคือจากนั้นก็ท่านก็บำเพ็ญอย่างสุดๆหาฐานยะสร้างยานอวากาศถึงคือว่าทำให้ดีที่สุดรอบครอบที่สุดเหมาะสมที่สุดถูกต้องที่สุดคือมักแปดจากนั้นก็ท่านก็ทา เ, เสร็จเรียบร้อยแล้วกันนั่นหละ เออตัดเลยแตนะ่รู้แจ้งเห็นจริงรู้เท่ารู้ทันจากนั้นก็ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ให้ความสำคัญในรถในร่างกายผลที่สุดใจของท่านกขปลุกพล้นจากอาสวะกิเลสคือไม่มีกิเลสราคะโทสะโมหะเป็นใจอิสระเอะโลกทั้งหลายไม่ดึงดูดออกนอกโลกอันนี้ลรเข้าสู่นิพพานนิพพานัง ปรามังสุ ข, ขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังปรามังศูนย์อย่างศูนย์ศูนย์ที่จะทําให้จิตใจใดวงนั้นมีความทุกข์ติดต่อไปศูนย์หมดเนี่ยศูนย์เชื่อที่จะทําให้หมักเวียนไหวตายเกิดเกิดอีกศูนย์หมดเนะี่ยนี่แหละขอให้พวกเราผู้ทุกคนนะการประพฤติปฏิบัติทำอย่างที่หลวงพ่อได้พูดนี่แหละอันทับแรกก็คือเราต้องมองตนเองเครื่องฐานทานศีล แล้วก็ภาวนาภาวนาเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากมีหลายขั้นตอนมีหลายขั้นหลายตอนในการภาวนาแต่พอพวกเราเดินตามแนวแถวนี่แหละให้พิจารณาทําใจให้สงบเมื่อจิตใจสงบนิ่งพอเป็นพื้นฐานแล้วนำมาพิจารณาทางท่านปัญญาพิจารณาอะไรพิจารณาร่างกายแต่เพื่อพิจารณาร่างกายแล้วพิจารณาดูใจ ใ, ใจคือตัวผู้รู้คือธรรมธรรม นี่แหะตัวนี้เป็นตัวใหญ่ที่เป็นหลงส่วนอื่นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกคือมันหลงความหลงออกไปจากใจนะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านแะทุกคนนะให้ดูใจใช่ไหมดูใจว่าใจของเรามันเป็นหลงมันหลงอะไรมันหลงอยู่หลงกินหลงหลับหลงนอนหลงอาหารการบริโภคลุกหลงในความสุขเล็กๆน้อยๆอยู่ดีมีสุขแต่ตามไม่กินมันเป็นความสุข หมูอยู่ในเล้าท่านเองอีกสักวันหนึ่งหมูตัวนั้นเขาต้องพยายามมัดจราดเจ้าของเขาเอาหมูตัวนั้นไปเชือดขอนะะผลที่จุดหมูตัวนั้นก็ทุกจริงจรนะิงฮะโอ้โหข้าพระเจ้าอยู่ในเล้าก็มีความสุขแต่มาวัด น, นี้ข้าพรเจ้าทุกจริงจริงหมูทามันสํานึกได้มันก็คงจะคิดแต่นี่พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเรานะ สอนในภาษาวกทั้งหลายทั้งปวงอย่าพวกเราท่านทั้งหลายให้คิดนะให้พิจารณาให้การกรองไตรตรองเหตุและผลที่เป็นอยู่แล้วก็จนเดินทางนะตัวนามธรรมาตัวนีนะ้คิดหนึ่งดีดีชั่วมันอยู่ที่นี่ทั้งหมดบาปบุญคุณโทษอยู่ที่ในใจทั้งหมด น, ะนั้นให้ลู้ดูที่ใจนะปล่อยวางที่ใจแก่ใจ หลุดพ้นที่ใจใจนั่นแหละจะเป็นผู้หมดจดจากกิเลสใจบริสุทธิ์ใจหลุดพ้นใจไม่ยึดมั่นถือมั่นใจเป็นอิสระนะเราลนแล้ อ, อนุ โ, โมทนาให้พ้น